ธรรมนัตธรรมชั้นโถมูลที่สามสิบเอ็ดบรรยายโดยพระอาจารย์มหาไพ ร, รอดิตาศีโลท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่รนสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปวันนี้จะพูดถึงในหมวดที่แปดว่าด้วยเรื่อง อวิชชาแปดเระการคำว่าอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้คือเขาหาปัญญามิได้จําแนกออกเป็นแปดระการคือหนึ่งไม่รู้จักทุกสองไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกสามไม่รู้จักความดับทุกข์ u ไม่รู้จักทางให้ถึงความดับทุก สีอย่างนี้คือไม่รู้จักของจริงของพระอริยเจ้าซึ่งได้นามว่าอริยสัจสี่ห้าไม่รู้จักอดีตหกไม่รู้จักอนาคตเจดไม่รู้จักทั้งอดีตอนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแต่การแรกขอให้นักเรียนนักศึกษามาทำความเข้าใจกับคำว่า ไม่รู้จักทุกเสียก่อนในที่นี้จะขอพูดเพียงย่อๆเพราะได้เคยพูดมามากแล้วที่ว่าไม่รู้จักทุกก็คือว่าไม่รู้ผล น, นะไม่รู้ผลว่าคําว่าทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆสองประการคือหนึ่งสภาวะทุกได้แก่ชาติปีทุขขาความเกิดเป็นทุก ราาปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกวรนามปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกอย่างนี้เรียกว่าสภาวะทุกสภาวะทุกเป็นทุกประจำสังขารประจำอยู่ทุกตัวทุกตนทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกทั้งสามอย่างนี้เราแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้จะห้ามให้เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันว่า เมื่อเราเกิดแล้วนะเราแก่แล้วนะอะเราเกิดมาแล้วจะต้องสร้างคุณงามความดีเราแก่แล้วเราก็จะต้องรีบสร้างคุณงามความดีอีกไม่นานเราก็จะต้องตายเราก็รีบสร้างความดีทุกประเภทที่สองก็คือตะกินอากาศทุกข์ทุกข์เล็กๆน้อยๆหรือทุกข์เด็ดเด็ดหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าทุกขจรหรือหรืออาคันตุกาดทุกข์ก็ได้ก็มีตั้งแต่โสกะ ความเศร้าโศกปริ เ, เทวะความคล่ำครวญร่ำไรทุกขะความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสความเสียใจอุปายาสะความตรอมใจอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกติเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกขยัมปิดชังนรัติตตามเตทุก ข, ขัง ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปันถูปาทานะขันธาทุกขาสรุปแล้วโดยย่นย่อก็คือทุกข์ในขันห้าคือมีขันห้าก็มีทุกข์คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอก็มีทุกข์คือทุกข์ในขันห้าทุกข์ในขันห้าก็คือว่าทุกข์ที่เราจะต้องคอยบริหารคอยประคับประคองอันนี้อยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เราเกิดเป็นทุกข์มากฉะนั้นก็คอยเราได้โปรดทราบไปเลยว่า เมื่อเรามีสังขารก็เท่ากับว่าเรามีขันห้าเมื่อมีขันห้าเราก็จะต้องมีแต่ความทุกข์เพราะเราจะต้องคอยบริหารกระคับประอ ง, องขันห้าอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าจะได้เราก็จะเป็นสุขแต่การที่สองไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัวตันหาหรือตัวสมุทยก็คือตัวตันหานั่นเองอตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่การ ม, มาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความทยานอยากามีกามอความอยากมีอยากเป็นหรือว่าติดอยู่ในภพติดอยู่ในภพหมายความว่าได้ที่อยู่ดีๆแล้วก็ไม่อยากจะไปในที่อื่นนะอยากจะอยู่ในที่นั้นอจริงๆแล้วเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ถึงสิ่งนั้นจะดีอย่างไรเราก็ต้องจากมันถึงเราไม่จากมันมันก็ต้องจากเรานะ วิภาวะตัญหาความอยากไม่เป็นทุกข์ก็พูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือว่าอความอยากไม่มีนะความอยากไม่มีพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็หมายความว่าเรามีซแล้วมีจนเบื่อะจําเจเขาก็เลยเบื่อไอ้ตัวนี้แหละคืออยากไม่มีอยากไม่เป็นนะมันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะเป็นทุกข์อีกเหมือนกันที่แรกก็อยากจะมี ผู้หญิงก็อยากจะมีแฟนผู้ชายก็อยากมีแฟนพอมีแล้วเกิดเบือ่ออเอานะครับ อ, อยากมีสามีภรรยาพอมีแล้วก็เบือ่ออ่ายากมีลูกพอมีแล้วก็เบือ่อไอ้เบื่อแล้วก็ไปอยากมีกับคนอื่นต่อไปอีกมันเบื่อเบื่ออยากอากนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นวิภะวะตัณหาแต่การที่สามไม่รู้จักความดับทุกข์ก็คือตัวนีโร่ไม่รู้จักอความดับทุกข์ก็ได้แก่ดับตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นเอง ข้อสี่ไม่รู้จักทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่มักมีองค์แปดแการนะอันนี้เป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่ก็คือเป็นหมายถึงว่าเราไม่รู้ไม่รู้จักของจริงของพระเจ้าที่ในนามอริยสัจสี่ทีนี้ในข้อห้าไม่รู้จักอดีต ก, ก็ได้แก่ไม่รู้จักสาวหาเหตุในอดีตในเมื่อได้พบผลในปัจจุบันอุทาหรณ์ เมื่อได้ความทุกข์ร้อนอันเกิดขึ้นแก่ตนมีความงมงายเข้าใจไปต่างๆไม่รู้จักสาหาเหตุที่ตนได้รับทุกนั้นเพราะตนได้กระทำความชั่วไว้แต่ก่อนหกไม่รู้จักอนาคตคือไม่รู้จักการคาดถึงผลข้างหน้าอันจากมันเกิดขึ้นแก่ตนหรือแก่ชนอื่นเพราะเหตุที่ประกอบลงในปัจจุบันเช่นบุคคลจะทาอกุศลกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น พระหวังผลคือการดำรงชีพในปัจจุบันไม่รู้ค่าความเดือดร้อนมีปราการต่างๆจากมังเกิดแก่ตนในอนาคตข้อเจ็ดไม่รู้จักทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักโยงเหตุในอดีตกับสาวหาผลในอนาคตให้มาเชื่อมติดต่อกันเช่นบุคคลประกอบความชั่วไว้ในอดีตแต่ต่อไปในอนาคตก็หารู้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรข้อป ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทได้แก่ความไม่รู้จักสภาพนั้นๆโดยความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเนื่องกันไปดุดบุกโซคคล้องกันเป็นสายฉะนั้นเช่นอวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาวิญญาณังวิญญาณปัจญานามมารุปังนามมารุปปัจญาเป็นต้นพูดง่ายๆก็คือว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสลายชนะอย่างนี้แหละ เรียกว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดเพราะอาศัยสิ่งนี้นะสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยนเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่นะทีนี้เมื่อเราทราบถึงเรื่องอวิชชาอย่างนี้ก็จะตั้งปัญหาเสียงย่อๆนะเสียงย่อๆว่า ที่บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้อย่างไรที่จัดว่าไม่รู้จักอดีตอนาคตและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ตอบว่าไม่รู้จักโยงเหตุในอดีตและผลในอนาคตให้เนื่องถึงกันจัดว่าไม่รู้จักทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตไม่รู้จักกําหนดสภาวะนั้นๆโดยความเป็นเหตุและผลแ Entonces, ห่งกันและกันเนื่องกันไปดุดลูกโซ่เกี่ยวกั niños, านเป็นสายเรียกว่าไม่ร<ม>ู้จักปฏิจจสมุปบาท ถ้าจะย่นอวิชชาแปดให้เหลือเพียงสามย่นได้ไหมย่นอย่างไรอันนี้เราบอกย่นได้คือย่นอย่างนี้ไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักอนาคตรวมเป็นหนึ่งไม่จำพวกไม่รู้ผลไม่รู้จักเหตุให้แห่งไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกไม่รู้ทางถึงความดับทุกขไม่รู้จักอดีตรวมเป็นหนึ่งไม่จำพวกไม่รู้จักเหตุ ไม่รู้จักทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทรวมเป็นหนึ่งในการไม่รู้จักความต่อกันแห่งเหตุและผลและความเนื่องกันแห่งสภาวธรรมนี่เป็นเรื่องของอวิชชาซึ่งพูดมาพอเป็นแนวทางก็จะพูดอวิชชาแปดสการซึ่งในทางตรงกันข้ามเอามาคู่กันเสียเลย คำว่าวิชาแปดประการอาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าอวิชาที่แปลว่าความไม่รู้แจ้งหรือธรรมชาติที่ไม่รู้ในวิชานี้มีแปดประการด้วยกันคือหนึ่งวิปัสสนาญาณญาณอันนับในวิปัสสนาเรียกว่าญาณทัศนะก็มีได้แก่ปัญญาพิจารณาเห็นรูปนล่นนาม แยกออกจากกันเป็นส่วนๆแล้วพิจารณาเห็นโดยต่างอาศัยกันเป็นไปข้อสองมนโนมยิทธิคือได้ฤทธทางใจได้แก่การนิรมิตร่างกายอื่นออกไปจากกายเดิมได้ประดุดชักดาบออกจากปักฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งใจสามารถคิดทำอะไรได้สำเร็จทุกประการไม่ติดขัดเช่นอย่างจูและปันถกน นี่ก็อามิตรกายของท่านให้เป็นร้อยเป็นพันคนก็ได้หรืออย่างพระโมกขลานะเหล่านี้เป็นต้นนี่มิตรกายได้ออืย่างนี้ถือว่าได้มโนมยิทธิหรืออย่างพระพุทธองค์ที่ได้ไปแสดงย ม, มกปฏิหาริย์ปราบพวกเดรธีเหล่านี้เป็นต้นนะข้อสามอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้น ะ, ะแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ น, นานาเรียกว่าเพาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้ดำน้ำได้นะแม้นะจะไป โลกคำท้าจันพระอาทิตก็ได้นะอย่างนี้เรียกว่าอิทธิวิธีได้เคยพูดมาแล้วอทิพโสโตก็คือหูทิพนะอันนี้ก็เคยบรรยายมาแล้วเจโตปิยาณรู้จักกําหนดใจผู้อื่นนะนี่ก็ได้ทั้งสามข้อนี้ได้บรรยายมาในอนัิญญาหกในหมวดที่หกมาแล้วก็จะไม่พูดนต่อไปข้อหกอภเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้คือหมายความว่าระลึกชาติที่แล้วมาในการก่อนได้ว่า ตัวเองนั้นได้เกิดอเป็นอะไรมีพ่อแม่อวงวานว่านเถือเป็นอย่างไรแล้วก็จุติแล้วไปเกิดเป็นอะไระเพราะกรรมอะไรจึงเกิดอย่างนั้นรู้ทิปยจกักกุตาทิพได้ตาทิพอาศวอะข้อเจ็ดทิพยจกักกุได้ตาทิพข้อแปดอาศวะขยญาณรู้จักทาอาศวะให้สิ้นก็คือทํากิเลสอาสะวะให้ติ้นนั่นเองได้แก่อริยสัจสี่ทั้งสามข้อนี้ก็ อธิบายไปแล้วในวิชาสารในหมวดที่สาฉะนั้นก็จะไม่ต้องบรรยายให้มากต่อไปอีกนะบรรยายให้มากต่อไปอีกก็จะตั้งเป็นวันหาถามเลยว่าในวิชาทั้งแปดนั้นข้อไหนบ้างที่พุทุชนสามารถจะมีได้และข้อไหนบ้างที่ไม่สามารถจะมีได้อันนี้เราก็ตอบเลยว่าข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดพุทุชนสามารถจะมีได้ส่วนข้อแปดนั้นปุทุชน ไม่สามารถจะมีได้เพราะอาสวะขยายนการรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปเป็นวิสัยของพระยเจ้าเท่านั้นและเป็นโล ก, กุตระวิสัยอีกด้วยหรืชาะทายถามว่าในวิปัสนาญาณในวิชาในวิปัสนาญาณในวิชาแปดนี้มีอธิบายอย่างไรและควรเรียกว่าอย่างไรได้อีกอันนี้เราก็ตอบว่า ม, มีอธิบายว่าปัญญาพิจารณาเห็นรูปและนามโดยแยกกันออกเป็นส่วนๆต่างอาศัยกันเป็นไปและควรเรียกว่ายาณทักนะได้อีกหรือถ้าจะถามว่าทิพจักกุตาทิพในวิชาสามเรียกว่าจุดูปปาตยานจะมีจะกล่าวว่ายังไรลอันนี้เราก็แก้ว่ากล่าวว่าปัญญาพิจารณาและการรบสัตว์ผู้เวียน่าวตายเกิด หรือปราลบคติแห่งธรรมดาของจักรคู่เป็นไปตามอํานาจกรรมปรากฏแจมแจ้งในพระฤาษไทยของพระองค์เองแต่อาการที่ทอดประเนตรเห็นได้เช่นนั้นนิใช่วิสัยของมังจักมังสะจักรสุขจึงได้ชื่อว่าทิพจักขุทิพจักขุทีนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของวิ ช, ชาแปประการซึ่งคู่กับอวิ ช, ชาก็จะพูดถึงเรื่อง สมาบัติแปดพูดถึงเรื่องสมาบัติแปดสมาบัติแปดก็คือแปลว่าการเข้านี่การเข้าคำว่าปฏิตัวนีส้สมะเนี่ยตัวนี้แปลว่าถ้าจะพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าการเข้าถึงนี่การเข้าถึงสมาบัติเนี่ยสมาปัติติแปล ว, ว่าการเข้าถึงแต่การเข้าในที่นี้ท่านหมายเอาการเข้าฌานเป็น เป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระก็มีถ้าการเข้าของสามัญชนผู้ได้ฌานสมาบัตินั้นก็เรียกว่าโลกิยสมาบัตรถ้าการเข้าของอริยเจ้าก็เรียกว่าโลกุตระสมาบัตรมีแปดประการคือหนึ่งปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งสองธุติยาฌานคือฌานที่สอง ามตาติยะฌานคือฌานที่สามีจะตุติฌานคือฌานที่สี่คือฌานที่สี่ในในเรื่องของฌานในเรื่องของฌานหรือวาสมาบัตแปดนี้พูดง่ายๆก็คือรูปฌานอรูปฌานนั่นเองรูปฌานอรูปฌานแต่บางทีเราก็งงได้เหมือนกัน คือคําว่าฌานบอกแล้วว่าก็ได้แก่การพิ้งทีนี้เราพูด่ะปฐมฌานฌานที่หนึ่งข้อนี้ก็มีองค์ห้าข้อนี้ก็มีองค์ห้าคือยังมีองค์ห้าคือยังมีการตรึกเรียกว่าวิตตกวิตตกแล้วก็ยังมีการตรองเรียกว่าวิจารณ์เหมือนอารมณ์ของคนสามัญแต่ไม่ประกอบด้วยกิเลสการมและอากุศลธรรมซ้ํายังมีปีติคือความอินใจ และสุขคือความสบายใจเกิดแต่วิเวกคือความเงียบ ก, กับประกอบด้วยจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งลงไปซึ่งเรียกว่าเอกคตามาในทุติยฌานคือฌานที่สองฌานที่สองนี้มีองค์สามคือละวิตกวิจารเสียได้คงอยู่แต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิกับเอกับขต า, ต, าตัยิยะฌานคือฌานที่สามฌานข้อนี้มีองค์สองคือละปิติเสียได้คงอยู่แต่สุขกับเอกับขตาฌานที่สี่เรียกว่าจะตุจฌานฌานฌานข้อนี้มีองค์สองเหมือนกันคือละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบกขาคือเฉยๆกับเอกับขตา ฌานทั้งสี่ข้อนี้เป็นรูปฌานนะเป็นรูปสมาบัติมีรูปประธรรมเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าในรูปาวัจระภูมิพระโยคาวจรบำเพ็ญเพียรได้ฌานไม่เสื่อมทำลายขันจากอาตภาพนี้แล้วย่อมไปเกิดในรูปาวัจระภูมิองค์แห่งฌานนั้นๆเพื่อจำง่ายดังนี้เพื่อจะให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังได้จาว่ะ องแห่งปฐมฌานมีเท่าไร่องค์แห่งปฐมฌานก็มีอยู่ห้าคือหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่มาสรุปให้ง่ายๆอีกอย่างหนึง่งองค์แห่งทุติยฌานหรือว่าทุติยฌานมีองสามก็คือปิติสุกเอกคตาทิ้งวิตกวิจารไปแล้วก็ตติยฌานมีองสองก็คือสุขเอกคตาทิ้งปิติไป องแห่งจะตุจะฌานมีองรรสองก็คืออุเบกขากับเอกคตาสกกลายมาเป็นอุเบกขาแล้วก็เหนืออุเบกขากับเอกคตาทีนี้ก็มาถึง อ, อรูปฌานอีกสี่ก็คืออากาสารัญญาตน ะ, นะอากาสานัญญาตนะวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญญ า, นนาตน ะ, นะ อากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่เรียกว่ า, ารูปประชังที่บอกว่าอากาสานัญจาตนะหมายความว่าพระโยคาวจรหรือว่าผู่ประพฤตความเพียรคือบำเพ็ญความเพียรได้บรรลุจตุทชาแล้ว คือรูปปานที่สี่หรือได้รูปปานที่หรือได้รูปปานที่สี่แล้วพิจรารณาเห็นปฏิภาคณิมิตแห่งกสิณจนเป็นอากาศคือความว่างเปลา่าเรียกว่าเพิกกสิณแล้วคำหนึ่งอากาศเป็นอารม์ว่าอากาศหาที่สุดนี้ได้ได้แก่ไม่ทำในใจถึงปฏิภาคณิมิตหรือไม่น่วงเหนี่ยวเอารูปารมพูดสั้นๆว่า คำหนึ่งถึงอากาศเป็นอารมณ์บริกรรมว่าอากาศหาที่สุดนี้ได้น่ะอากาศหาที่สุดนี้ได้ดังนี้ชื่อว่าอากาศสานันใจยตนะเป็นรูปปัจจานที่หนึ่งนะที่พูดว่าอากาศโอนนันโตอากาศหาที่สุดนี้ได้นะข้อที่สองวิญญาณนันใจ ย, ยตนะหมายความว่าเมื่อผู้บำเพ็ญเพียร บำเพ็ญอรูปปัจจานที่หนึ่งแล้วในลําดับนั้นก็ล่วงอากาศเสียได้ถือเอาวิญญาณเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณหาที่สุดนี้ได้ได้แก่คํานึงถึงจิตของตอนเป็นอารมณ์นี้เป็นวิญญาณัญจายตยนะเป็นอรูปปัจจานที่สองวิญญาณหาที่สุดนี้ได้ข้อที่สามอากินจัญญายตนะข้อนี้มีอธิบายว่า เมื่อผู้บำเพ็ญเพียรได้วิญญาได้วินวิญญาณัญจายตนะแล้วในลำดับนั้นล่วงวิญญาณเสียถือเอาความไม่มีอะไรเหลือสักหน่อยหนึ่งเป็นอารมณ์คือเกือบไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยนี้เป็นอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ที่สามข้อสี่เนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนี้มีอธิบายว่า ประโยคาวาจรหรือผู้บำเพ็ญเพียรได้อากินจัญญายตนะแล้วในลำดับนั้นล่วงอารมณ์เกือบไม่มีอะไรเหลือ <Yeah. S 1> เกือบไม่มีอะไรเหลือจนเป็นผู้มีแต่สัญญาคือความรู้สึกตัวก็มีใช่เป็นผู้หาสัญญาก็กมีใช่คือหมายถึงว่า จะว่ามีความรู้สึกก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีความรู้สึกก็ไม่เชิงในทำนองนี้จัดเป็นเนวสัญญาณาสัญญาจะตระนะเป็นอรูปฌานที่สี่น่ะอรูปฌานเป็นชื่อแห่งฌานมีวิภาคหรือการจำแนกดังที่ได้บรรยายมาส่วนที่เป็นชื่อแห่งพบก็มีน่ะโยคาวจรผู้คงเพียนเพียนได้อรูปฌานทั้งสี่นั้นล้วนเป็นโลกิยะ ยุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพแห่งพรหมมีประเภทเป็นสี่มีชื่อว่าอากาสารัญจายตะนะภพปัญญานัญจายตนะภพอากิจัญญาจตนะภพเนวสัญญานาสัญญายตนะภพตามกำลังฌานของตนนะต่ามกาลังฌานของตนอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาบัต 8, นะิแปดสมาบัติแปดจริงๆแล้วในทั้งสองอย่างนี้ก็ได้เคยบรรยายนะทั้ง รูปฌานและรูปฌานได้บรรยายไปแล้วในในในหมวดสี่ในในหมวดสี่ก็คิดว่าพอเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังพอจะจับเอาไปเป็นคติเตือนใจในการดำเนินชีวิตได้หรือในการปฏิบัติธรรมได้หรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าสมาบัติต่างจากสมาธิอย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่า คือต่างอ่าต่างกันหมายความว่ามีความหมายหมายความกว้างและแคบอ่าต่างกันคือสมาบัติหมายเอาเฉพาะรูปฌานสีรูปฌานสี่ที่เป็นส่วนละเอียดเท่านั้นส่วนสมาธินั้นหมายเอาความกว้างกว่าสมาบัติคือจิตที่ยังลงมั่นในอารมณ์อันหนึ่งไม่ถึงนับว่าฌานก็ดีถึงฌานสมาบัติก็ดีเรียกว่าสมาธินี่ คืสรุปแล้วว่าสมาธิเนี่ยกว้างกว่างกินความกว้างกว่าแต่อแต่สมาบัติมันกินความแคบกว่าอแคบกว่าหรือถ้าจะถามว่าสมาบัติแปดย่นให้เหลือสองได้หรือไม่ถ้าได้ย่นมาดูเราก็แก้ว่าได้คือรูปสมาบัติหนึ่งกับอรูปสมาบัติหนึ่ง หรือถ้าะถามว่ารูปสมาบัติและรูปสมาบัตมีอะไรเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าในภูมิไหนเราก็แก่ว่ารูปสมาบัตมีรู ป, ปรธรรมเป็นอารมณ์อารูปสมาบัติมีอารูปธรรมเป็นอารมณ์รูปสมาบัตสงเคราะห์เข้าในรูปาวจระภูมิอารูปสมาบัตสงเคราะห์เข้าในอารูปาวจระภูมิอนี่ก็เป็นเรื่องของของสมาบัตแปด ก็คิดว่าพอเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาที่จะพอจักเอาได้ฉะนั้นพูดถึงาการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิชาแปดประการก็ดีนะเอาวิชาแปดประการก็ดีก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็พอจะเข้าใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขต่อปัญหาได้โดยเฉพาะญาติโยมผู้ ที่จะนำไปประพุทธปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นสิ่งสาคัญมากทั้งวิชาแปดแล้วก็เอาวิชาแปดอ่าทั้งสมาบัตแปดนะทั้งสมาบัตแปดฉะนั้นการบรรยายทั้งสามบทนี้ครอบพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร วันนี้จะพูดถึงในหมวดที่เก้าว่าด้วยเรื่องอนุปปภวิหารเก้าทำมันเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับกันท่านเรียกว่าอนุปปภวิหารเก้าคือรูปฌานสี่ขอประทานโทษรูปฌานสี่อรูปฌานสี่กับสัญญาเวทยิตนิโรธเวทยิตนิโรดหนึ่งทั้งเก้านี้เรียกว่า อนุปภวิหารคำว่าอนุปุภวิหารก็คือว่าทรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลาดับกันสัญญาเวทยิตะนิโรดนี้เป็นธรรมที่ละเอียดกว่าเนวสัญญานาสัญญาเจตนะขึ้นไปอีกท่านผู้เข้าสมาบัติชั้นนี้ไม่มีสัญญาและเวทนาเลยท่านจึงกล่าวว่าเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา สัญญาเวทยิตะนิโรดนี้เรียกแต่เพียงว่านิโรสมาบัติก็มีอันหนึ่งท่านผู้จะเข้านิโรสมาบัตินั้นจะต้องเข้าไปตามลำดับตั้งต้นแต่อารูปฌานที่หนึ่งจนถึงที่สี่แล้วจึงเข้าอารูปฌปานที่หนึ่งคืออาการสานัญจายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วจึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธ และเมื่อจะออกก็ต้องถอยกลับเป็นลําดับลงมาคือเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วถอยออกเรื่อยลงมาจนถึงปฐมฌานพูดง่ายๆว่าถอยหลังนะถอยหลังตั้งแต่ปฐมฌานพุติยฌานตรติยฌานยตุตยฌานอากาสารนัญจาชนะวิญญาณนัญชาตนะอะถอยไปแล้วก็อากินัญญาชนะในวสัญญายาชนะทีนี้ก็ย้อนขึ้นไปอีก ตั้งแต่เนวสัญญาณาสัญญาชนะอากินัญญาญชนะกุญญานัญญยชนะอากาสาัญจญะตนะเจตุทะฌานปฏิยะฌานทุติยะฌานมาถึงปฐมฌานนี่ว่าถอยหลังท่านผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้กล่าวว่าอท่านกล่าวว่านิ่งเฉยอยู่ได้ตลอดเจ็ดวันโดยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อออกจากนิโรธแล้วใหม่ๆไปไหนไม่ได้เพราะรู้สึกว่าหิวมาก เวทนาเกิดมากฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่ทำบุญแก่พระเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัตใหม่ๆย่อมได้พลานิสงมากย่อมได้พลานิสงมากทีนี้ถ้ายังมีปัญหาถามว่าอารุปฌานสี่อารุปฌานสี่ในบางแห่งท่านเรียกว่าสมาบัตสมาบัตแปด ในที่บางแห่งก็เรียกว่าอนุปปภวิหารเช่นอนุปปภวิหารเก้าทั้งสองนี้เพ่งอัทธรสต่างกันอย่างไรหรือไม่อันนี้เราก็แก้ว่าเพ่งอัทธรสต่างกันคือท่านเรียกว่าสมาบัตินั้นโดยเพ่งถึงอาการที่เข้าอยู่หรืออาการที่เข้าออกของพระโยคาวจรคือผู้บำเพ็ญเพียรและพระยาเจ้าผู้ชนานาญในประเภทนี้ ส่วนที่เรียกว่าอนุปุปภวิหารนั้นท่านหมายถึงอาการเข้าอยู่โดยลําดับของชั้นนั้นๆดังนี้คูอหมายว่าของชั้นรูปปัจจันและอรูปปัจจันเป็นชั้นๆไปหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าพระโยคาวจรผู้เข้าสู่สมาบัติต้องบําเพ็ญทําอะไรให้เป็นประทัดฐานกล่อนเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ว่าเราจะต้องบําเพ็ญ อปปนาสมาธิให้เป็นบรรทัศฐานก่อนเพราะผู้จะเข้าสู่สมาบัติก็หวังเพื่อให้อารมณ์ภายในและภายนอกสงบระงับหรือถ้าจะถามว่าสัญญาเวทยิตนิโรธกับเนวสัญญานาสัญญาจตณนะหมายถึงทำหยาบและละเอียดกว่ากันอย่างไรเราก็แก้ว่าหมายเอาทำหยาบและละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือชั้นเนวสัญญานาสัญญาจตนะฌาน ท่านผู้เข้าเป็นผู้มีสัญญาคือความรู้สึกก็ใช่เป็นผู้หาสัญญามิได้ก็มีใช่แต่สัญญาคือความรู้สึกและเวทนาความสวยอารมณ์ยังมีอยู่คล้ายๆว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงแต่ว่าเวทนาความความสวยอารมณ์นั้นยังมีอยู่ส่วนส่วนท่านผู้ที่เข้าถึงชั้นสัญญาเวทยิตะนิโรธ คือนับสัญญาและเวทนาได้โดยสนิทท่านจึงเรียกว่านีโรสสมาบัตบ้างในที่บางเห็นหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่านีโรสสมาบัตนั้นเป็นสังคตะธรรมหรืออสังคตะธรรมเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ว่าเป็นสังคตะธรรมคือยังเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะยังเนื่องด้วยเหตุและปัจจัยทั้งยังมีอาการเกิดดับปรากฏอยู่ แต่อาการเกิดและดับในที่นี้หมายเอาอาการเข้าออกซึ่งยังไม่สิ้นเหตุปัจจัยส่งเสรนี่เป็นเรื่องของอนุปกภวิหารแต่เพียงย่อยงฉะนั้นต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอาพุทธคุณก้าวประการเนพุทธคุณก้าประการอาพุทธคุณก้าประการซึ่งบางคนก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไร ก็คือบทที่เราสวดภาวนาสรรเสริญตั้งแต่อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตรโรปุริสัทธรรมนาสัตถารจิสัทถาเทวมนุสสานังุริสปุริสัทธมมสาริสัทธาเทวมนุสส า, สา น, นังพุโทโภภควาติ อย่างนี้เราเรียกว่าเราสวดพุทธคุณคือบทสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านทีนี้เขาแบ่งออกเป็นเก้าประการเขาแบ่งยังไงเขาแบ่งเอาอารหังเนี่ยเป็นหนึ่งนหนึ่งคืออรหังหมายถึงว่าผู้เป็นพระอรหันต์คาว่าทีนี้ขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคําว่าพุทธคุณเสียก่อนคําว่าพุทธคุณแปลว่าคุณของพระพุทธเจ้า คือนักบลาท่านได้ร้อยกรองภาวนาไว้เป็นบทสําหรับระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอืแบ่งออกเป็นเก้าบทคือหนึ่งอรหังต์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์คำว่าอรหันต์เนี่ยแปลว่าท่านแปลไว้เป็นหลายใ น, นคําว่าอรหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลเป็นผู้เว้นไกลอจากกิเลส ก, ก็ได้อรหันต์ ไกลจากกิเลสก็ได้คือพระองค์ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองนยะกิเลสเครื่องเศร้าหมองในที่นี้ก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เป็นผู้ทาให้เศร้าหมองเป็นต้นเขาเหล่ากอของกิเลสกิเลสอื่นๆเป็นต้นว่าโสกะความแห้งแร้งใจเศร้าใจปริเทวะความรํำเพร่ร่ำไรโทรมนัสความเสียใจอุปายาสความคับแค้นใจอัตตันตัใจ เหล่านี้เป็นต้นจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะกิเลสซึ่งเป็นต้นเขามีอยู่ฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ไ ก, กลจากกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดอื<ม>จากกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดจึงได้นามว่าอรหัง<ม>จึนได้นามว่าอรหัง<ม>และที่แปลว่าหักเสียซึ่งอกองกรรมแห่งสังสารวัชกรรมคาว่าอรหังเนี่ยแปลว่าหักเสียซึ่งกองกรรมแห่งสังสารวัชก อะไรคือกองกรรมแหังสังสารจัตรก็คืออวิชาตัญหาอุปาทานกรรมเป็นตัวแห่งสังสารจัตรนะหรือที่แปลว่าเป็นผู้ควรนะอรหังแปลว่าเป็นผู้ควรคือเป็นเป็นทักกิเนยบุคคลพระองค์เป็นผู้มีพระสันดานอันบริสุทธิ์การบัญญัติของพระองค์เป็นนิยานิกรรมตลอดถึงพระองค์เป็นผู้ ควรแก่ทักษินาทานของโลกอีกอย่างหนึ่งแปลว่าผู้ไม่มีข้อลีลักผู้ไม่มีข้อลีลักคือพระองค์ไม่มีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะพึงปกปิดซ่อนเร้นไว้ไม่ให้ผู้อื่นรู้สองสัมมาสัมพุทธโธสัมมาสัมพุทธโธ เป็นผู้จัดสรู้ชอบเองหมายความว่าเป็นต้นเดิมแห่งกุทธศาสนาอันเป็นสวากขาตธรรมอันเป็นสวากขาตธรรมคือทำรรที่พระองค์จัดดีแล้วในบทนี้เมื่อกล่าวโดยย่อก็คือพระองค์รู้จักของจริงคืออริยสัจจะทำสีประการที่พระองค์รู้แจ้งเห็นจริง อาตภาพความเป็นจริงอย่างไรก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นเองอืนี่แหละอย่างนี้เราเรียกว่าคือทำที่พระองค์รู้นั้นเป็นสิ่งอันประเสริฐนะเป็นสิ่งอันประเสริฐคือเป็นต้นเดิมแห่งตระพุทธศาสนา จริงอยู่ทำนั้นเป็นของจริงไม่วิปริแตแปรผันอย่างอื่นสามารถทําให้ผู้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทุกได้ข้อสามวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะอันนี้ก็หมายความว่า เป็นผู้ได้บรรลุวิชาด้วยเป็นผู้แรกรู้จักทางเครื่องบรรลุวิชานั้นด้วยวิชาคือความรู้แจ้งจารณะคือทำเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงวิชาที่เรียกว่าจารณะนั้นในจารณะธรรมมีสิบห้าประการนมีสิบห้าประการซึ่งจะได้กล่าวในหมวดที่สิบห้าข้างหน้าที่จัดไว้เท่านั้นจัดโดยสรุป เมื่อกล่าวโดยพิศดารแล้วสิ่งใดที่บุคคลประพฤติปฏิบัติอยู่ทั้งหมดเช่นสีนห้าสีนแปดเป็นต้นก็เป็นจรณะทางนั้นจึงได้ชื่อว่าวิชาจารณะสัมปันโนพู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะที่บอกว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นถ้าหากว่าจะพูดโดยดย่อๆในที่นี้เสยเลยนะจากคังจะไปพูดในข้างหน้าก็จะทำให้ ให้นักเรียนนักศึกษางงได้งงได้ก็อยากจะพูดแต่เสียงย่อๆว่าในเจรณาสิบห้าก็คือหนึ่งสีและสังวรนะสำรวมในสีสองอินทรีสังวรสำรวมในอินทรีสามโพชเนมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ชาทยานุโยคประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่ห้าศรัทธาเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อหกหิริละอายต่อบาปทุจริตเจ็ดโปรตปะเกรงกลัวต่อบาปทุจริตแปดพาหุสจจะความเป็นผู้ได้สดับกับฟังมาเก้าวิริยะความเพียรสิบสติความระลึกได้สิบเอ็ดปัญญาความรอบรู้ สิบสองปฐมฌานฌานที่หนึ่งสิบสามพุทธิยะฌานฌานที่สองสิบสี่ตติยะฌานฌานที่สามสิบห้าเจตุจชฌานฌานที่สี่ทั้งหมดนี้เรียกว่าจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้าส่วนความหมายของแต่ละข้อนั้นจะอธิบายไว้ในให้ถึงในหมวดสิบห้าเสียก่อ น, นถึงในหมวดสิบห้าเส็ยก่อนทีนี้ก็มาพูดถึงในข้อที่สี่ก็คือสุขโต คำว่าสุขโตแปลว่าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคือได้แก่ประพฤติพระองค์โดยไม่กลับคือการประพฤติของพระองค์โดยไม่กลับถอยหลังเมื่อพระองค์เสด็จไปในที่ใดยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ในที่นั้นพู ด, ดง่ายๆก็คือว่า ที่ว่าเสด็จไปดีก็คือว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่พระองค์แล้วก็แก่มหาชนที่อยู่ในที่นั้นเสด็จมายังโลกนี้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนจึงเสด็จดับขันธมรรพานและอีกประการหนึ่งคำว่าสุขโตแปลว่าผู้ไปดีหรือแปลว่าเป็นผู้ถึงดีอธิบายว่าพระองค์ไปสู่โลกุตรธรรมแล้วและไม่กลับมาสู่โลกยธรรมอีก พระองค์ไปจากพระองค์ไปจากกิเลสส่วนส่วนเสียส่วนที่ไม่ดีไม่งามละเสียได้โดยเด็ดขาดแล้วจึงชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ไปถึงดีในข้อที่ห้าโลกกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกท่านพรรณาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้จักถิ่นฐานบ้านเมืองต่างๆทะลุุกร่รง ทรงรู้จักอัธยาศัยของคนต่างถิ่นต่างชั้นทรงรู้จักอย่างเห็นเหตุอันปรุงแต่งของคนเหล่านั้นพร้อมทั้งถิ่นฐานให้ยิ่งหรือย่อนอย่างไร <c oughs> อีกในหนึ่งท่านอธิบายว่าทรงอย่างรู้ความเป็นไปของคนทุกชั้นว่าเป็นอย่างไรเนื่องด้วยสุขทุกข์ก็ดี เนื่องด้วยความเจริญและความเสื่อมก็ดีตกอยู่ในคติแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนหายากจนเรียกว่าหา ย, หายอยากหายหลงในอิทธารมและหายตกใจกลัวในอนิถารมรวมความว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกทั้งสามคือสังขารโลกอย่างหนึ่งธ า, าตุโลกอย่างหนึ่ง สัตวโลกอย่างหนึ่งแต่คําว่าโลกกินความกว้างมากมายมีหลายประเภทพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่าโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกและอารูปโลกข้อหกอนุตตรปุริธรรมสารถีเป็นสารถีแห่งบุรุษผู้ฝึกได้โดยไม่มีบุรุษอื่นยิ่งไปกว่า ท่านนามว่าอนุตตรโภุริจธรรมสารตินี้บางแห่งท่านตัดออกจากกันโดยแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดไม่มีผู้ใดเสมอด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยวิมุตติยานัทสนะเป็นผู้บริบูรณ์ดีถึงแม้ว่า ถึงแม้ผู้ที่ได้สําเร็จก็ตามมีพระสาวกทั้งหลายที่ถึงศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์แต่ก็ไม่เหมือนอย่างพระองค์พระองค์นั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้สําเร็จในฌานนั้นๆหรือในวิมุตตันนั่ น, น, นอีกในหนึ่งท่านเอาพระนามทั้งสองนี้รวมกันว่าอนุตตรโอปุริจ ธ, ธรรมสารติ พระองค์เป็นผู้ทรมานบุรุษผู้ควรทรมานได้ไม่มีสารถีใดๆจะเสมอในทางทรมานคือว่าสัตว์ที่ควรทรมานพระองค์ก็ทรมานได้ทรมานให้เสื่อมพยศให้ละเหตุอันร้ายได้กลายเป็นผู้ดีเช่นอย่างช้างมา้าซึ่งเป็นพาหิชของพระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้เป็นต้นสามารถที่จะเอามาฝึกให ใช้ในการที่เป็นพาหะของพระเจ้าแผ่นดินได้เข้าในสงครามได้ข้อเจ็ดัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สั่งสอนเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รับโอวาทคําสั่งสอนของพระองค์ พระองค์จึงทรงทระนามเช่นนั้นแต่ถ้าจะพูดตามความจริงแล้วย่อมมีมนุษย์ย่อมมีมนุษย์เรานี่เองเป็นพื้ น, นคือมีมนุษย์เรานี่เองเป็นพื้นส่วนเทพีดาทั้งหลายเป็นพวกอาทิตยมานกายคือมีกายไม่ปรากฏย่อมปรากฏแก่ทิฏฐจักกุยานของพระพุทธเจ้าเท่านั้น รวมความก็คือพระองค์เป็นครูของบุคคลทุกชั้นทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าทั้งเทวดาพรหมทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นครูทั้งนั้นไม่ใช่เป็นครูแต่พวกจัทุพวกมนุษย์ยังเป็นครูของพวกเราเทพเทวด า, าพวกสวรรค์ชั้นสูทุกชั้นเลยพระองค์เที่ยวเทศนาสั่งสอนเวนใยนิกรทุกท่วนหน้าตลอดจนกระทั่ง ถึงดับขันทระปรินิพานนี่เรียกว่าบนชั้นดาวดึงพระองค์ก็ได้ไปแสดงธรรมาแล้วนะพุกที่ข้อแปดพุดโทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้ว <c oughs> คือเป็นผู้ไม่หลงไหลงมงายซึ่งเปรียดด้วยคนนอนหลับ <c oughs> เป็นกาลัน ย, ากกาลยูรู้จักกาลรลสมัยรู้จักฐานะคือเหตุที่ควรเป็นได้ และอาถานะคือเหตุที่ไม่ควรเป็นได้และเป็นผู้เบิกบานแล้วคือเป็นผู้ได้กระทาคุทธกิจสาเร็จแล้วข้อเก้าพระควาเป็นผู้มีโชคข้อนี้ท่านได้แยกเป็นจับไว้ว่าคำว่าพระความาจากคำว่าพระชะธาตแปลว่าแจกหรือแปล ว, ว่าแบ่ง อธิบายว่าพระองค์มีพระธรรมเป็นส่วนแจกส่วนแบ่งอีกอย่างหนึ่งว่าคําว่าพัชธาที่แปลว่าคบหรือเศษหมายความว่าเศษเสนาสนะอันสงัดคือหมายถึงว่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดก็คือสงบนะสงบที่เรียกว่าสันติวิหารธรรมและมีอาการหน้าครบหมายความว่า ต้องนำผู้เข้าไปคบให้ได้ประโยชน์ตามสมควรอีกอย่างหนึ่งคำว่าพัชธาต์อีกอย่างหนึ่ ง, าาา ง, งมาจากคำว่าพันชนะแปลว่าหักอธิบายว่าคำว่าหักก็คือว่ากาจัดกิเลสและบาปธรรมทั้งตวงแต่ตามมติของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า ว่าเป็นผู้มีโชคผู้มีมีเคราะ์ดีอธิบายว่าพระองค์เป็นผู้มีโชคดีมีเคราะห์ดีตั้งแต่ทรงทรงเยาวตลอดถึงการเป็นนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องของพุทธคุณก้าวแต่เพียงย่อยๆทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าพระพุทธคุณบดว่าอรหัง มีพระเป็นเป็นเป็นคุณบทเป็นคุณบทของพระศาสดาเท่านั้นหรือหรือว่าสาธานะทั่วไปแก่ภาษาวกบ้างถ้าเช่นนั้นจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายต่างแห่งเนื้อความนั้นอันนี้เราก็แก้ว่าหามีเฉพาะแต่คุณบทของพระศาสดาเท่านั้นไม่ท่านใช้เป็นคุณนามของภาษาวก e บ้างเหมือนกันถึงอย่างนั้น ก็ยังมีเครื่องกําหนดหมายให้รู้ความแตกต่างกันได้ที่พัญชนะบทหน้าถ้าเป็นคุณฑบของพระศาสดาท่านใช้คําว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธซึ่งแปลว่าพระอรหันต์ผู้ตัดสู้เองผู้ตัดสู้ชอบเองถ้าภระาวกใช้คําว่าอารหังขีนาสวะแปลว่าพระอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วนี่ต่างกัน หรือว่าอันไหนเป็นของสาวกอันไหนเป็นของพระพุทธเจ้าหรือถ้าจะถามว่าพระพุทธกุลบดว่าสัมมาสัมพุทโธผู้จัตรสรู้ชอบเองนั้นจัตสรู้อะไรและฉะไหนจึงว่าชอบแล้วก็ว่าหรือว่าเอาเองอันนี้เราแก้ว่าที่ว่าจัตสรู้ชอบนั้นก็คือจัตสรู้สภาวธรรมโดยปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ ไตรลักษณ์เป็นต้นตามตามความเป็นจริงไงนะจึงเป็นผู้ไม่ตื่นต้นไม่หลงไปตามอารมณ์นั้นๆที่มาประสมที่มาประสบเพราะยินดีและยินร้ายชื่อว่าตัดสรู้การตัดสรู้นั้นถูกต้องทองแท้ไม่วิปริตแปรผันชื่อว่าชอบการตัดสรู้นั้น ลำพังพระพุทธองค์เองไม่มีใครสังสอนเลยชื่อว่ารู้เองจึงรวมความว่าจัดสรู้ชอบเองหรือมีคำถามว่าข้อที่ท่านเปรียบพระพุทธคุณด้วยสารถสัพก็นับว่าได้ความตามนิเทศมีส่วนพิเศษยิ่งยวดนั้นเป็นอย่างไร ที่ว่ามีส่วนที่เศ็ดอย่างนั้นคือทรงฝึก ด, ดีกว่านายสารถีฝึกมาหรือดีกว่าคู่อื่นด้วยไม่ต้องใช้อาจยาหักหารเหมือนนายสารถีไม่ต้องมัดลงแท้หรือว่าต้องใช้วิธีโทรมานด้วยไม้หรือว่าด้วยวัตถุต่างๆทรงรู้จักใช้อุบายให้เหมาะแก่บุคคลและรู้จัก บุคคลผู้ฝึกทรมานแล้วย่อม ด, ดียิ่งกว่าม้าที่ฝึกแล้วอยู่ถ้ามีคำถามว่าพระคุณของพระพุทธเจ้ามีเก้าบทที่ท่านได้เรียนแล้วก็สอบทานี้เพราะอาศัยพระพุทธคุณบทไหนเป็นสำคัญเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ว่าเพราะอาศัย พระพุตธคุณบทว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นข้อสำคัญเพราะเหตุที่พระองค์ทรงเทศนาพระธรรมจึงแพร่หลายมาจนถึงบัดนี้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแน่นอนที่สุดเราก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนทมศึกษาทมปฏิบัติธรรมมาจนถึงบัดนี้ได้ หรือถ้ายังมีปัญหาถามว่าพระพุทธคุณห้าบทที่ท่านกําหนดตั้งไว้ในอนุสติปาทานั้นในอนุสติปาทานั้นถ้าประสงค์ย่อให้สั้นๆแล้วจะได้หรือไม่จงแสดงคําที่สอบมาให้กระจ่างอันนี้เราก็แก้ว่าได้คือรวมพระพุทธคุณเบริ่มต้นว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูตีตีบทนี้เป็นประเภทหนึ่งซึ่งจัดเป็นอัตตะสมบัติคือความดีส่วนพระองค์และรวมพระพุทธคุณบทเบื้องปลายว่าอนุตตรปุริสัรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะวา ถ้าบทนี้เป็นประเภทหนึ่งคือทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งเหมือนกันเป็นอีกบทหนึ่งฉะนั้นพุทธคุณก้านี้ยังมีชื่อเรียกอีกหลายในนมีชื่อเรียกอีกหลายในที่ ที่สมเด็จสมหาสมเดเจ้าท่านยังทรงอธิบายว่าอธิบายถึงคำว่าพักวานะพัวาที่แต่ผู้มีโชคจับนี้ท่านใช้เรียกเทวดาบ้างก็ได้เรียกฤาษีทั่วไปก็ได้ทั้งใช้เรียกฤาษีนั้นทุงเห็นพวกพัท ธ, ทธวัคคีได้พบพระาศาสดาที่ไร้ฝ้ายไม่รู้จักพระองค์ถามว่า อภิพักวาอิทีปัตสัยแปลว่าพักวาแปลว่าพักวาเป็นหญิงบ้างหรือเป็นหญิงบ้างหรืออีกอย่างหนึ่งในชาดกราชอมาต ถ, ถามเกษิดาบทว่ากัทหนุพักวา เ, ออเกษิกับปัจจ ร, รมติอัสมัยแปลว่าพักวาเกษิยินดีอยู่ได้ในอาสมแห่งกัสปดาบท ด้วยอย่างไรส่วนในพระพุทธศาสนาใช้เรียกพระศ า, ศาสดาไม่ใช้เรียกภาษาวกบพทว่าพระกวาออกจากพาขัตสักนูลเดิมเป็นพระชจาตุที่แปลว่าแจกหรือจำแนงมีคู่เทียบว่าโสพักขังโสพักขยังแปลว่าโชคดีโชคร้ายหรือเคราะดีเคราะร้ายโดยในนี้แปลว่าคู่มีโชคดี ว่ามีเคราะห์ดีโดยอธิบายว่าพระองค์เป็นผู้มีโชคดีตั้งแต่สงทยาจนถึงปรินิกพานในพุทธคุณเก้านี้บางที่ก็เรียกว่าณวะหะระคุณเก้าก็มีโดยที่แท้จะเรียกว่าณวะภระคุณหรือว่าณวาระหะคุณซึ่งแปลว่า คุณของพระอาหารหันต์เก้าคุณของพระอาหารหันต์เก้าอย่างนี้ก็มีทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธคุณเก้าซึ่งได้บรรยายโดยหลายในก็คิดว่านักเกรยียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายพอจะจับเป็นแนวความเอาไปกระพฤทธปฏิบัติจะกอบการเรียนการศึกษาได้ในที่สุดนี้ขอให้นักเกรยียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอจเจริญพร